ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการมองอนาคตผ่านฐานความคิดและชีวิตของท่านอาจารย์พุทธทาสเนี่ยอตาตมาอยากจะให้มองย้อนและลึกไปถึงเมื่อครั้งที่ท่านอาจารย์พุทธทาสท่านได้เริ่มตั้งสวนโมกนะคือวันวิสาขาประมาณเดือนพฤษภาปี2475ก่อนการปฏิวัตนะิหรืออภิวัตนะตอนนั้นท่านอายุ2ี่สนปะี ก็เรียกว่าถ้าเป็นสมัยนี้ก็อาจจะยังไม่ทันได้จบปริญญาโทนะตอนนั้นเนี่ยท่านมองอย่างไรเกี่ยวกับอนาคตนะในสมิยของท่านเนี่ยมีความเชื่อเกี่ยวเรื่องสถานะของพุทธศาสนาเมื่อถึงยุค ก, กึ่งพุทธกาลก็คือ2500 ในสํานึกของชาวพุทธเนี่ยยุคปุ่งพุทธกาลก็เป็นยุคสมัยที่พุทธศาสนาก็จะก็จะก็จะเรียบลงไปงั้นถ้าถ้าจะมองอนาค ต, ตจากจุดนี้เนี่ยต่อไปข้างหน้านเนี่ยโดยสายถายที่ของพุทธทาสท่านพุทธทาสเนี่ยอาจารก็เชื่อว่าถ้าพุทธทาสคงจะมองคล้ายๆกันก็คือว่าโลกนะในอนาคตเนี่ย มันก็จะอยู่ในภาวะของความเสื่อมโทรมทางศิลธรรมเหมือนกับที่เมื่อผ่านยุคกึง่งพุทธกาลไปและปรัชญาธรรมของท่านเรื่องโลกวิปริตที่หลายท่านก็ได้ยินได้ฟังมารวมทั้งอาจจะได้อา่านในไม่กี่วันข้างหน้าก็สะท้อนถึงมุมมองเช่นนี้เกี่ยวกับอนาคตก็คือว่าโลกนั้นเนี่ยก็จะมีความเสื่อม ในทางศีลธรรมไปเป็นลำดับหรือจะพูดอย่างนั้นคือว่าก็จะมีความวิปริตมากขึ้นเรื่อยๆแต่แต่แตท่านอาจารย์พุทธทาสท่านไม่ได้มองโลกอย่างในแง่ร้ายอย่างนั้นอย่างเดียวนะฮะท่านมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย แลการที่โลกนั้นจะเข้าสู่ความวิปรกษ์วิ่งขึ้นนะก็เพราะว่ามีมีปัจจัยแต่ในขณะเดียวกันท่านก็เชื่อว่าเหตุปัจจัยเหล่านั้นเนี่ยในหลายส่วนก็อยู่ในวิสัยที่มนุษย์หรือคนเล็กๆ เ, เนี่ยสามารถที่จะทัดทานท้าทายหรือควบคุมกํากับได้ตรงนี้เองที่เราสามารถจะดูจากชี้ของท่านจามุทธาธาช เมื่อท่านจำพุทธาตได้ตั้งสนโม่เมื่ออายุ26ปีท่านเป็นพระพระชั้นผู้น้อยแต่ในใจของท่านเนี่ยเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเต็มไปด้วยปณิธานที่จะฟื้นฟูพุทธศาสนาเพื่อที่จะผักดันกลงล้อแห่งพระธรรมจักรนะให้คืบหน้าต่อไปแม้ว่า โลกจะเข้าสู่ยุคกึงพุทธกาลก็ตามคือท่านเชื่อเลยว่านี่คือเป็นเป็นสำนึกของชาวพุทธคือถ้าจจำพุทธท่านมในึกว่าท่านเป็นบุคคลมหาศักรย์หรือว่าเป็นเป็นอภิมนุษย์นะคนบางคนเนี่ยเกิดมาและมีสำนึกเช่นนั้นว่าเกิดมามีสำนึกหรือภารกิจทางปริศาที่จะสร้างโลกเปลี่ยนแปลงโลกแต่เท่าที่ดูจากมาจาก ประวัติของท่านอาจาระพุทธะท่านไม่มีสํานึกในความเป็นมหาบุรุษอย่างนั้นแต่ท่านมีสํานึกว่านี่คือเป็นภารกิจของชาวพุทธของคนธรรมดาคนหนึ่งนะแล้วก็ถ้าเราอ่านจากจดหมายที่ท่านอาจารยพุทธะเขียนถึงคุณธรรมธาตุซึ่งเป็นน้องก็จะเห็นนิมปณิธานและความมุ่งมั่นเช่นนั้นแม้ว่าท่านจะลงไปสวนโม แล้วก็สร้างสางมมติขึ้นมาจากศูนย์โดยที่แทบจะไม่มีวัฒนาบรบารมีอะไรเลยก็ตามแต่ท่านมีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถที่จะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้ไม่มากก็ น, น้อยในแง่นี้เนี่ยนะท่านจากยุผู้่านมองอนาคต โดยไม่ได้อยู่ในภาวะจำยอมแต่มองอนาคตในฐานะที่เป็นสิ่งที่ท้าทายหรือถ้าจะมองอย่างที่ท่านคุณหมอบัญชาได้พูดเมื่อกี้นี้ก็ได้ว่าอาจจะรู้สึกโชคดีด้วยซ้ำที่ได้มาเกิดในยุคสมัยเช่นนี้พระพุทธท่านมองว่าโลกนี้เนี่ยนะจะจะดำเนินได้เป็นไปได้ก็ด้วยธรรม ท่านมองโดยอาศัยแว่นของาศาสนาหรือธรรมะอย่างชัดเจนก็คือว่าโลกนี้จะทรงอยู่ได้ก็ด้วยธรรมะนะไม่ใช่เพราะว่าความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจหรือเทคโนโลยีหรือประชาธิปไตยอะไรทั้งสินนะ้นแม้ว่าในเวลานั้นเมื่อสร้างสมมติใหม่ๆแท่งก็ยังมีความเชื่อในเรื่องของประชาธิปไตยหรือไม่น้อยนะแต่ว่าเมื่อถึงสรุปแล้วคือว่า ธรรมะนี่แหละคือสิ่งที่จะยังโลกและประคองโลกให้เป็นไปถ้าโลกจะเสื่อมพวกธรรมะนั้นนะเสื่อมถอยลงไปหรือว่าธรรมะในใจคนนั้นเนี่ยได้เจือจางหายไปเพราะฉะนั้นท่านถืวาภา ร, รกิจของท่านคือการพยายามที่จะสร้างหรือฟื้นฟูธรรมะขึ้นมาแต่ก่อนที่ท่านจะเข้าไปเพื่อที่จะฟื้นฟูศาสนาแล้วก็ฟื้นฟูธรรมะให้เกิดมีขึ้นเนี่ย พระเจ้าพุท ธ, ธาธท่านย้อนกลับมาการที่จะพุ่งไปข้างหน้าได้อย่างมีพลังถ้านอาจารพุท ธ, ธาเชื่อาต้องย้อนกลับมากลับมาที่ไหนกลับมาที่หนึ่งรากเงาของพุทธศาสนาคือถ้าจาพุธธาาทพธกรรมมาที่พระไตรปิฎกเรียกว่าข้ามพ้นคำทีต่างๆแม้กรทั่งอัศถรรยเพื่อที่จะเข้ามาสู่แก่งแท้พุทธศาสนาที่ส่งไว้ในพระไตรปิฎก อาจารย์พุทธศึกษาพระไตรปิฎกอย่างมากจะเรียกว่าพระไตรปิฎกแม่แหละคือครูครูครูที่สําคัญของอาจารย์พุทธเลยก็ว่าได้ซึ่งจากต่างจากอาจารย์ท่านหน่นึอีกมากมายซึ่งมีครูเป็นบุคคลแต่อาจารย์พุทธานมีหนังสือโดยพระพระไตรปิฎกเป็นเป็นครูเป็นปรมาจารย์และรองลงมาคืออาจารย์คลำอาจารย์คลำทีมม่ทราบนะบอาจารย์คลำก็คือปฏิบัตินะครับคลำติดไป ท, ทุกทุกนะมี2 อ, อย่างนะฮะตำ พระเตยพิโกอาจารย์คลำท่านย้อนกลับไม่ยังคือย้อนกลับที่ตัวเองนะย้อนกลับที่ตัวเองว่าทำไงถึงจะถึงจะต่อสูก้กับกิเลสตัณหาอาวิชชาในตัวเองนะอันนี้เราคือราก ง, งาที่สําคัญเปรียบไปก็คงไม่ต่างจากการจิตนาวทะนูจะยิงลูกศรให้พุ่งไปข้างหน้าเนี่ยก็ต้องน้าทะนูมาข้างหลังให้ไกลที่สุดยิ่งเงามาน้ํามาไกลมากเท่าไหร่ก็จะทําให้ลูกทะนูพุ่งไปข้างหน้ามากเท่านั้น อันนี้คือคือคือคือวิธีการของเจ้าพุทนธะท่านถอยกลับมากลับมาที่สวนโมกแม้ว่าโลกของท่านโลกแห่งศิลธรรมที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันอยู่ที่กรุงเทพเป็นหลักก็าตามแต่ท่านถอยกลับมาที่สวนโมกและท่านถอยกลับไปที่ประยถิพรัสไทยบิดดกและถอยกลับไปที่กิเลสตัณหาประทานในตัวเอง เอาจิตใจนั่นแหละเป็นสมรภูมิที่จะสู้นะเพื่อจะทําให้ตัวเองเข้มแข็งและเพื่อที่จะเป็นพื้นฐานในการสร้างอนาคตให้กับศาสนาหรือเพื่อที่จะฟืน้นฟูศาสนาให้มันดีขึ้นคือผู้ใหญ่คืออาอจารย์ผู้ท่าถ้าไม่เชื่อถ้าไม่ท่านไม่เชื่อท่านเชื่อในเรื่องของวิริยาภาพคือท่านไม่เชื่อในเรื่องว่าเชื่อในเรื่องของโชคชะตาว่าเออ คนโบราณเขาบอกว่าพุทธศาสนามันจะเสื่อมโซไปหลังพุทธกาลก็ปล่อยให้มันเป็นไปแต่เจ้าพุทธไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะ ต, ตรงนี้อย่างที่ที่ถ้าเราจะมองถ้าเราจะมองอนาคตจากจุด ท, ที่เราอยู่อยู่ตรงนี้เนี่ยอาตมาคิดว่าสิ่งที่ท่านฐานคิดและชื่องท่านเนี่ยมีความสำคัญมากนะก็คือว่าแม้เราจะมองเห็นโลกอนาคต โดยเพ่ะที่กำลังเชี่ยวกราบด้วยกระแสโลกาภิวัตน์นะซึ่งอาจจะนำไปสู่โลกาวินาศเนื่องมาจากปัญหาการทำลายสิ่งแวดล้อมความวิบัติทางด้านบรรยากาศของโลกความเสื่อมโทรมทางด้านศิลธรรมการเอารัดอเอาเปรียบ ก, กันอย่างขนาดใหญ่ในานามของตลาดเสรีนะแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ควรที่จะทำให้เราเกิดความ เกิดความท้อแท้สิ่งที่เราสามารถจะเรียนรู้จากพระพุทธเจ้าคือความมีสํานึกในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่สามารถที่จะทําอะไรได้และสํานึกอ น, นั้นเนี่ยในแง่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยจุดจุดที่ขาดนะคือเรื่องของศีลธรรมเรื่องของจริยธรรมนะเรื่องของธรรมะ ตรงนี้เป็นเป็นเป็นเป็นจุดเป็นจุดที่ขาดนะในการที่จะสามารถที่จะทัดทานโลกไม่ให้ไม่ให้เสืิอมโซนลงไปสิ่งที่อยากจะเน้นคือว่าอาจารย์พุทธา น, นิท่านไม่ได้มองอนาคตเฉยๆนะริงอยู่ท่านอาจจะมองอนาคตในสมัยของท่านหรืออาจจะมองอนาคตในสมัยในสมัยนี้เนี่ยถ้าท่านยังอยู่เนี่ยท่านอาจจะมอง ค, คล้ายๆกับคน ผู้ที่นั่งอยู่บนยอดเขาแล้วมองลงมายังทิวทัศน์ข้างล่างอย่างที่เราเห็นภาพของอจารยพุทธทาสหลายภาพเลยท่านท่านจะนั่งอยู่บตก้อนหินและท่านก็มองมองไปข้างหน้าหรือมองไปข้างล่างด้วยความรู้สึกปล่อยวางนะด้วยความสางนะมสมบนิ่งนะแต่เราก็รู้อยู่รู้อยู่และประจักษ์ด้วยตัวเองว่าถ้านอาจารพุทธทาไม่ได้ปล่อยวางในลักษณะที่งอเมืองงอเท้านะ ในใจท่านว่างหรือปล่อยวางก็จริงแลแต่ว่าท่านผลักตันท่านทำงานนะอย่างไม่เลิกลาต้องเรียกว่าจนกระทั่งชั่วโมงสุดท้ายหรือนาทีสุดท้ายก่อนที่ท่านจ ะ, ะหมดสติไปนะแต่ท่านทำนะท่านทำด้วยจิตว่างท่านทำด้วยความรู้สึกไม่สำคัญมั่นหมายนะท่านทำด้วยความรู้สึกว่า มันเสร็จอยู่ตลอดเวลานะเคยมีคนไปถามพระเจา้าพุทธาว่าไอ้ตึกทั้งหลายทั้งปวงที่ท่านสร้างเนี่ยมันไม่เห็นเสร็จสักทีเลยเมื่อไหร่จะเสร็จสักทีอะ่ะเพราะว่ายังมียังมีมีแท่งแท่งแท่งอะไรแท่งเหล็กหรือว่าแท่งเหล็กโคมาเยอะแยะไปหมดนะพระเจ้าพุทธาท่านก็บอกว่าก็เสร็จอยู่ทุกวันแหลนะคือ ท่านทำทุกวันแล้วก็เสร็จทุกวันนะอันนี้คือคือการทํางานด้วยจิตว่างซึ่งธรรคิดว่าในการที่จะขับเคลื่อนขับเคลื่อนอกองรออ้อแห่งธรรมนยุปัจจุบันนี้เพราะการสร้างการสร้างพลังทางศีลธรรมหรือพลังทางใจธรรมให้กลับขึ้นมามีความหมายในยุคปัจจุบันเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากแล้ามาอยากจะรัดไปเลยว่า เราไม่เพียงแต่มองอนาคตด้วยสายตาที่ปล่อยวางเท่านั้นแต่ว่าจะต้องขับเคลื่อนด้วยด้วยด้วยด้วยความด้วยความมุ่งมั่นแต่ไม่ใช่ยึดมั่นถึงมั่นและสิ่งนี้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเป็นสิ่งเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะว่าถ้าจากพุทธานเนี่ย ท่านก็เริ่มต้นมาจากตัวท่านเองกับมิสหายไม่กี่คนนะแต่ว่าสามารถที่จะผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้หลายอย่างคือถ้าไม่ถ้าถ้าเปรียบเทียบกับสมเด็จพระหมหาสมนาจา้ากรมพยาวิเชิยาวัลโรธซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในวุพุทธศาสนาของไทยก่อนอาจา์พุทธธาตุ 50-60 ปี จะเห็นความแตกต่างได้ว่าพระพุทธท่านไม่มีวาสนาบารมีอะไรทั้งสิ้นในคำที่สมเด็จพระมหาสมณเจา้านี้เป็นถึงรูปกษัตรินะแล้วก็อยู่ในตําแหน่งที่สูงคือเมื่อเลี้ยงสุดท้ายท่านก็ได้เป็นสมเด็จพระสังฆราชแต่พรนะะพุทธท่านไม่มีอะไรเลยแต่ท่านสามารถที่จะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงจนกรทั่งอ า, อาจจะไม่น้อยไปกว่าสมเด็จพระมสมณพร ม, รมาเจ้ารืออาจจะยิ่งกว่าด้วยซ้ำในสมัยปัจจุบัน มันบอกว่าอะไรมันบอกว่าคนคนคนเล็กๆคนหนึ่งเนี่ยหรือสองสามคนเนี่ยสามารถจะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้ถ้าว่าใช้ปัญญาอย่างถึงที่สุดและมีจิตใจที่เปลี่ยนไปด้วยต้องเรียกว่าธรรมฉันทะนะคือท่านเนี่ยไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้คิดถึงตัวเองนะแต่ท่านมุ่งเอาธรรมะเป็นใหญ่ปัญญาที่ใช้อย่างถึงที่สุดและ จิตใจในะที่เปลี่ยนไปด้วยธรรมชาทะและด้วยความมุ่งมั่นในปณิธานเนี่ยสามารถก่อความเปลี่ยนแปลงได้อรมาเกี่ยวตรงนี้เป็ น, ปนสิ่งสําคัญอย่างแล้วก็ตามเนี่ยมาถึงยุคของเราเนี่ยการที่เราจะมองอนาคตอย่างเดียวคงจะไม่พออย่างที่อรมาว่าเวลาเราต้องพยายามสร้างสรรค์นอนาคตอย่างน้อยเนี่ยก็ให้มันพ้นจากความวิปลิตหรือว่าไม่เข้าสู่ความวิปลิตอย่างรวดเร็วเกินไป สิ่งที่เราควรจะทำเนี่ยมีอะไรบ้างนะแน่นอนนะเราจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนําเอาศิลธรรมกลับมาอย่างสมสมัยอานะจารย์พุทธท่านพูดอยู่เสมอว่าจะต้องระดมธรรมเพื่อ น, นำศีลธรรมกลับมาเพราะถ้าศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวิตน้านะอาจารย์พุทธท่านในท่านมองไปถึงทั้งโลกนะแต่เราเนี่ยอาจจะไม่มีความไม่มีความกล้าหาญขณะที่จะมองไปทั้งโลกแต่เร า, า จ, จะมองเพียงแค่ประเทศไทย เราก็จะบอกว่าถ้าเสียธรรมกลับมาสยามรัตนาวาจะวิบัติจักปรางนะก็ไดนะ้ปัญหาคือว่าการที่นําเสียธทํากลับมาจะทําอย่างไรนะเราจะเอาแต่เราใช้วิธีการที่เผยแพร่พุทธศาสนากันไปเรื่อยๆกันไปอย่างที่ทําอยูนะ่พูดให้มากขึ้นเผยแพรแ่ซีดีให้มากขึ้นเพลหนังสือให้มากขึ้นเท่านั้นเพียงพอไหมเราคิดว่าไม่น่าเพียงพอปัญหาหนึ่งนะก็คือว่า ศิลธรรมทุกวันนี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะวิ่งไล่ทันความชั่วร้ายของยุคสมัยได้ทุกวันนี้เนี่ยนะสิ่งที่เรียกว่าความชอบธรรมหรือจริยธรรมเนี่ยสิ่งที่เรียกความชั่วร้ายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการคอร์รัปชันไม่ว่าจะเป็นการลักขโมยความโลภหรือความมา่งมีในการต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันได้พัฒนาไป จ, จกนกระทั่งสามารถที่อำพรางตนเอง จนคนเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาหรือสามารถได้พัฒนาจนทั่งสามารถที่เราสามารถที่จะทําได้โดยไม่ถือว่าเป็นการติดกฎหมายนะแล้วกรณีตัวอย่างข่าวที่เป็ น, ปนข่าวอยู่ที่ผ่านมาในช่วง4ีปีที่ผ่านมามันเห็นได้ชัดเลยว่าการคอร์รัปชันการช่อลา บ, บางหลวงหรือแม้กระทั่งการกา ร, การโกงเนี่ยตัวนี้สามารถที่จะใช้วิธีซิกแซกนะ จนกระทั่งกลายเป็นสิ่งที่ไม่ไม่ผิดกฎหมายได้หรือยิง่งหรือเลวยิ่งไปก็นั่นคือว่ามันกลายเป็นความชอบธรรมขึ้นมาได้ขายหุ้นแต่ไม่เสียภาษีกลายไม่ใช่ไม่ไม่ผิดกฎหมายเดียวนะฮะกลายเป็นความชอบธรรมด้วยนะหรือกลายเป็นสิ่งธรรมดาอันนี้เอตมาถือว่าเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะมันมันสแสดงเห็นว่าเวลานี้เนี่ยความสิ่งที่เราความชั่วร้ายเนี่ยมันได้พัฒนาไปจนกระทั่งมันสามารถที่จะ กลายเป็นเรื่องธรรมดาได้อนุาพช่วความชอบธรรมหรือวจเริยธรรมเนี่ยจะต้องพัฒนาไปจนกระทั่งสามารถที่จะสามารถที่จะไปไปไ ป, ไปดักหรือไปไปชี้ได้หรือว่าไม่ว่าจะซิกแซกแค่ไหนมันก็ยังผิดศีลธรรมมันก็ยังไม่ชอบธรรมอยู่ดีนะแต่ตอนนี้เนี่ยความสิ่งที่เราลดศีลธรรมหรือความชอบธรรมเนี่ยมันไปไม่ถึงตรงนั้นแล้ว นะซึ่งปัญหาคือจะทำอย่างไรอาตมาเชื่คอคงจะไม่มันคงไม่พอที่จะแก้กฎหมายเพื่อที่จะทําให้การยกตัวอย่างเช่นการคอร์รัปชันในลักษณะต่างๆเนี่ยกลายเป็นสิ่งผิดกฎหมายหรือการเป็นสิ่งที่ไม่ไม่ไม่ถูกต้องไดนะ้อันนั้นคงไม่พอนะเร า, อาต้องจําเป็นที่ต้องสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมใหม่ๆขึ้นมาปัญหาคือตอนนี้คือวเวลานี้เนี่ยาศาสนาเนี่ย รวมทั้งพุทธศาสนา ด, ด้วยเนี่ยไม่ไม่ได้เป็นไม่ได้ไม่ประสบความสําเร็จหรือไม่ได้สนใจที่จะสร้างเกณฑ์ทางจริยธรรมใหม่ๆขึ้นมาเลยเราลองมาดูจริยธรรมปัจจุบันเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยมันมาจากไหนมันมาจากแหล่งอื่นทั้งหลายเยอะแยะไปหมดอยู่อย่างเช่นการไม่ใช้โฟมนะหรือว่าการไม่ทิ้งของเสียลงแม่น้ำเนี่ยไอ้นิดนี่คือจริยธรรมของคนสมัยใหม่มันมาจากไหนถ้าเราสาวไเราก็พบว่ามันไม่ได้มาจากพุทธศาสนา สมัยนี้เนี่ยการที่สูบบุหรี่ในที่สาธารณะเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องมันมาจากไหนมันก็ไม่ได้มาจากพุทธศาสนาเวลานี้เนี่ยมันมีแหล่งความคิดที่ไปกําหนดจรยิยธรรมในสังคมสมัยใหม่เยอะและบางครั้งนายทุนอุตุนิยมก็เข้าไปกําหนดด้วยเช่นบอกว่าถ้าคุณใช้ซีดีถ้าคุณซื้อซีดีโปรแกร ม, ท, มที่ไม่ได้รับอนุญาตถือว่าเป็นการไม่ใช่แค่ปิดกฎหมายนะฮะหรือเป็นการขโมยด้วย นะเขาสามารถที่จะบอกได้ว่า้การใช้ซีดีแบบนี้เนี่ยดีวีดีแบบนี้เนี่ยผิดกฎหมายา ม, ม, ม, มันไม่ถูกต้องทางศีลธรรมแต่ขณะที่การโกงนะกลับไม่เป็นสิ่งที่ผิดศีลธรรมนะตรงนี้เนี่ยมันช้อยเชียนหนึ่งจุดอ่อนของศาสน า, าพุทธศาสนาที่ไม่สามารถที่จะสร้างเกณฑ์ทางเกณฑ์ทำใหม่ๆขึ้นมาได้นะ ซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องยาวที่ที่จะต้องพูดกันต่อไปประเด็นต่อมาคือการชิงพื้นที่ของศีลธรรมอาตอมาคิดว่าจะต้องชิงพื้นที่ทางศีลธรรมให้มากขึ้นไม่ใช่เฉพาะในในในสื่อหรือในห น, นังสือพิมพ์หรือในคลื่นวิทยุโทรทัศน์เท่านั้นแต่ต้องเข้าไปชิงพื้นที่ทางศิลธรรมแม้กระทั่งในวิถีชีวิตในปฏิสัมพันธ์กับผู้คนในตลาดหุ้นในการประกอบธุรกิจซึ่งตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นเป็นสิ่งที่ปลอดจากศีลธรรมไปแล้ว นะไม่ว่าจะเผิดศีลธรรมเดิมๆในตามหลักพุทธศาสนาหรือศีลธรรมแบบใหม่ซึ่งยังไม่เกิดมีขึ้นการชิงพื้นที่สังเทศธรธรมในสถาบันต่างๆในทางการเมืองในทางเศ ร, รษฐกิจเป็นต้นจามพุทธาเนี่ยท่า น, ท, านท่านให้ควาสมสำคัญกับเรื่องนี้มากเพราะฉะนั้นท่านเห็นถึงเรื่องว่าการนําการเมืองให้มีศีลธรรมนะมีเวลาไม่มากแนละ้วแต่ว่ามีคําพูดของชาต้าจามพุทธาที่น่าสนใจท่านชี่เห็นว่า จะต้องทําให้การเมืองมีเสรธรรมนะเพราะว่าถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยนะมันก็จะปอยเกิดปัญหาโลกวิ่งหน้าท่านเห็ว่าระบเสรีธรรมเนี่ยระบบการเมืองมันเนื่องเดียวกันท่านเขียนไว้อย่างนี้ท่านพูดไว้อย่างนี้ระบบศสรธรรมนี่มันเนื่องกันอยู่กับระบบการเมืองหรือรู้ว่าระบบศสรธรรมที่ถูกต้องนั้นเองมันเป็นรากฐานนันแท้จริงของระบบการเมืองที่ดีที่จะทำให้โลกนี้มีสันติสุขคือท่าผู้ท่านหเห็นเลยว่าเนี่ยจะต้องทําให้การเมืองที่มีเสรธรรมให้ได้ ซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเป็นเป็นวิธีใหม่ในทางพุทธศาสนาแบบเทโลวาดซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะไม่ให้ความส น, สนใจกับเืองนี้มากเท่าไหร่นะแต่ที่จริงมันเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่ของผู้ปกครองอยู่แล้วแต่ถูกมองข้ามไ ป, ปนในสุดท้ายแต่ว่าจะคงจะทิ้งไว้เป็นหัวข้อขึ้นที่บอกคือว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันต้องกลับมาที่สิ่งที่อาจารย์พุทธเล็บอาจารย์พุทธเล็บว่าโลกุตระธรรมนะแต่ว่าจะกลับมายัางไง ก็ค่อยอะจะพูดในเขยายความในตอนต่อไปเพราะฉะนั้นตอนนี้ขออยุติเท่า น, นี้ก่อนขอบบคคุณรัผมต้องขออภัยนะครับคือขอจริงหลวง ท, ที่คือทั้งชีวิตของท่านนะมีประเด็ น, นามากมายแต่ช่วงนี้